ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดมาจนป่านนี้ทําให้ปัจจุบันนี้มีกายมีใจกายกับใจหรือตัวขันห้านี้แหละตัวทุกข์ละนี้เราไม่เข้าใจตัวทุกข์ในปัจจุบันเนี้ยเราปฏิบัติต่อมันไม่ถูกต้องเราก็สร้างพบทางใจสร้างความทุกข์ทางใจซ้ําซ้อนขึ้นอยู่ตลอดเวลาอนาคตไม่ต้องชาติหน้าหรอกอนาคตก็คือขณะจิตถัดๆจากนี้ไปเดี๋ยวความทุกข์ก็เกิดอีกแล้ว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 ของเรารุ่นนี้7วัน7็ดเดือน7ปีได้โสดาก็บุญนักหนาแล้วนะอินรีเราอ่อนกว่าคนยุคโน้นเขานะงั้นอดทนนะพักเพียนไปรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจนะอย่าลืมกายอย่าลืมใจกายมีอยู่ก็คอยรู้สึกไว้จิตใจมีอยู่คอยรู้สึกไว้เราชอบลืมกายลืมใจเราชอบหนีพ่คิดเราชอบไปรู้เรื่องราวที่คิดเราไม่ชอบที่จะรู้กายรู้ใจ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 ก็ฝึกเอาไว้หลวงพ่อไม่เคยล่าเลยเลยนะหลวงพ่อตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตื่นจนหลับนะสมัยตั้งแต่คารวานะนั้นยกเว้นเวลาที่ทํางานที่ต้องคิดเท่านั้นนะเวลาที่เหลือนะจะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยทั้งๆ ท, ที่เราเป็นคารวานะนันเราก็รู้สึกกายรู้สึกใจเนืองๆเข้าไปหาครูบาอาจารย์วัดป่าท่านชมเชยนะบางทีพระถึงขนาดตามมาถามเราเลย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 ให้ให้หลวงพ่อช่วยแนะนนะําแนะนํานะก็คืออย่าไปเปลี่ยนวิธีปฏิบัติข้อหนึ่งเลยนะสําคัญนะบางคนชอบไปแถมนู่นหน่อยนะแถมนี่หน่อยนะแถมเกินสติปัฏฐานออกไปเสียหมดเลยนะของคุณนะเดินอยู่ในร่องในรอยที่ดีแล้วนะจิตของคุณนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วเอาจิต<อ>เราเป็นผู้ผรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็คอยรู้ขันห้าเขาทํางานเห็นขันห้าทำงานไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เราสักกันเดียวนะฝึกไปเรื่อยวันหนึ่งใจยอมรับความจริง ว่าตัวเราไม่มีนั้นได้โสดานะคนละเรื่องกับที่ฝึกแต่ก่อนนะฝึกแต่ก่อนทำใจว่างๆแล้วบอกว่าได้ทษมันจะได้อะไรนั้นได้กว่ามว่างๆละกิเลสไม่ได้จริงหรอกกราบหลวงพ่อดีหน้าชาวนะครสวรรค์ น, นี้ใช้ได้เลยวันนี้นเอาต่อไปใครเอาอาจารย์อามหวานเอาว่าไปหลวงพ่อเจ้าขาโยม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 จิตเป็นยังไง ร, รู้ลูกเดียวเลยแต่นะมันก็มีอัตตาเยอะเจ้าค่ะจะเห็นแต่ตตเดิมมันก็มีแต่มันไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นไปร้องเพลงเป็นเครื่องอยู่นะแ <c oughs> ล้วไปบอกให้ที่บ้านเขาอดทนนิดนึงค่ะนะแต่แต่นิ่งๆแบบวันนี้ตอนที่หลวงพ่อเทศหลังอาหารนี่ไม่ดีใช่ไหมเจ้าค่ะมันมันเพิ่งทานข้าวมัง้งมันก็หมัวไปนิดหน่อยอไม่มีปัญหา เบิกบานแบบเมื่อเช้านี่โอเคใช่ไหจ๊ะก็โอเคนะแต่จริงๆนะโอเคทั้งหมดเลยถ้าหากเรารู้สภาวะจิตเราเศร้าหมองรู้ว่าเศร้าหมองก็โอเคจิตเบิกบานรู้ว่าเบิกบานก็โอเคจิตเบิกบานไม่รู้ว่าเบิกบานน่ะไม่โอเคนะแล้วถ้าร้องเพลงตอนร้องเพลงนิยมมีนิ่งๆนิดๆติดอยู่ไหมเจ้ะคะมีนิดหน่อยยังประคองไม่เลิกนะตอนตอนร้องเพลงก็ประคองในลองร้องซิร้องอ เอาสักสักท่อนนึงเอะเดี๋ยวดูซิว่าประคองไหมเนี่ยหวานตรงเนี้ยดีที่สุดเลยนะฝึกอย่างเนี้ยนะรู้สึกอย่างนี้เอาไม่ต้องร้องนะหลวงพ่อแค่นั้นใช้ได้ละร้องแล้วเจ้าค่ะอ๋อร้องในใจใช่ไหมอ๋อร้องร้องปิดไม้เอ่ะเจ้าค่ะอ๋อเหรอเออใช้ได้นะใช้ได้นะงั้นไปร้องเรื่อยๆกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ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 ใจเราก็จะสบายนะมีความสุขเอา้าอาจารย์อามเอ้ว่าย้ายไปขอนแก่นแล้วไม่ใช่หรื อ, อประมาณปลายเดือนครับแต่ว่าถ้า ถ, ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็คงจะได้ย้ายไปอยู่น้่นต้องดำกว่านี้ครับเพราะมหาวิทยลาลัยขอนแก่นมันชื่อหมอดินแดง <c oughs> <c oughs> ดินยังแดงเลย <c oughs> เอาว่าไปก็ช่วงนี้ เรื่องขยับไม้ขยับมือนะครับคือผมสังเกตตัวเองดูว่าถ้าเกิดทําครบสิบสีจังหวะเนี่ยมันจะไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันมันจะไปเพ่งคือมันสิบสีจังหวะ น, นี้มันจะรู้หมดเลยแต่ถ้าเกิดทําเล่ น, ลนๆแบบถูนิ้วมือหรือพิกไม้พิกมือธรรมดาเนี่ยมันจะโอเคกว่าหน่อยออนึงและแต่ถนัดแล้วก็คือช่วงนี้จิตมันไปผมไม่รู้ว่ามันไปคล่ําครวนหรือมันไปคือมันไปใคร่ครวญเรื่องอนัตตาเรื่องความไม่มีตัวตนนะครับ อาจารย์อามระวังไว้เดียวอย่าให้จิตฟุ้งซ่านในธรรมะนะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆงานมีแค่นิ้อย่าไปค้นคว้าพิจารณาธรรมะมากรู้เล่นๆเลยมันเกิดความรู้สึกเบื่อขึ้นมาไม่รู้มันมันมันเบื่อจริงอันนี้มันเบื่อจริงหรือมันเบื่อได้โทษัมันเบื่อจริงนะคือมันมีอยู่บางครั้งที่ผมเดินไปแล้วประมาณ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 ใจมตั้งมั่นรับรู้สึกไหมมันตื่นขึ้นมามันโล่งๆมันสบายๆมันเห็นทุกอย่างเนี่ยอยู่ห่างๆไปเห็นโลกเหมือนความฝันครจะเห็นอย่างงั้นและดูไปขอบคุณมากครับเอาใครยกมือใครยกมือเอะคุณนิรันท์ใช่ไหมว่าไปนั่งขสมาธิได้นั่งพระเพียบไม่เป็นเออให้มันสบายๆว่าไปครับคือ ผมปฏิบัติโดยนิรันดร์ที่ใหม่ตั้งนี้ครับตามที่หลวงพ่อแนะนำนะครับแล้วก็บรีผมไปตั้งสมาธินะครับโดยการกำรกหนดรู้ลมหายใจแล้วผมก็เข้าใจว่าเป็นาการรู้สึกตัวอะไรอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าผมเข้าใจผิดมาตลอดเพราะว่ า, ามันจะมีบางครั้งที่จิตนี่จะลงไป ไหลไปเกาะกับลมหายใจนะครับแล้วก็เกิดปิติอืเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาผมก็รู้ว่ า, าผมเดินผิดทางแล้วใช่ใช่นะครับเพราะว่าผมฟังซีดีหลวงพ่อเป็นประจํานะครับคราวนี้ผมมีความสุขว่าตอนนี้จิตมันตื่นนะครับตื่นแล้วใช่ครับจิตตื่นแล้วนี่จะเต็มให้เลยนะนี่เขาตื่นแล้วก็รู้ว่าตื่น <c oughs> ครับเป็นการตื่นครั้งที่สอง ค ร, ครั้งแรกก็ปีเสศษๆตื่นแล้วก็หลับไปอืนะครับครั้นี้ตื่นใหม่อืแต่ตื่นใหม่ผมผมมั่นใจว่าว่าตื่นแล้วนะครับก็เลยมากราบหลวงพ่อแล้วก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่ า, าการทําสมาธิที่ที่กําหนดรูรำไรใจจริงๆเนี่ยไม่ใช่คนรู้ที่รู้สึกตัวจริงๆนะครับมคนรวควรจะปฏิบัติยังไง เนี่ยหายใจไปแล้วรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายมันหายใจใจเราเป็นคนดนะูไม่ใช่ให้ใจไหลไปอยู่ที่ลมผลพ่อทําให้ดูนะดูออกไหมดูออกใจมันจะไหลเข้าไปอยู่ที่ลมอย่าง น, นี้แมวนะก็รู้สึกตัวไม่ต้องประคองจิตขึ้นไปใช่<อ>ไหมร ค, ครับปล่อยสบายๆปล่อยสบายๆนะที่รู้สึกอยู่ตอนนี้ใช้ได้แต่ตอนนี้เกร็งไปนิดนึงกแต่ว่าคุณตื่นแล้ว น, นี่มมันีตื่นเช้าเพราะว่าติดสมถะมากใช่ครับหนะลวงพ่ อ, อเค ย, เยบอกอแล้วกว่าจะฟังหลวงพ่อเข้าใจแค่ออกมานะใช้เวลาเพิ่งเข้าใจเมื่อปลายปีตอนปีใหม่นี่เองครับเข้าใจแบบคิดว่าเข้าใจ่ะครับบางคนนะั้นติดสมถะหลวงพ่อไม่แก้ให้นะคือ บ, บางคนมันติดรุนแรงมากเลยแก้ไม่ไหวเคมีอย่างผู้ผู้เฒ่าคนหนึ่งนะที่อายุตั้งเกือบเก้าสิบแล้ว แกติดชาญอยู่ตั้งหกสิบปีอะไรเงี้ยถ้าเราเขียก็ตื่นขึ้นมานะจิตแกะจะฟุ้งซ่านสุดขีดเลยเดี๋ยวแ็ดูต่อไม่มีเวลาพอนะจะไปเอาบายซะก็หกปีแล้วครับหลวงพ่อครับก็ยังดีครับผมหกปีก็ยังมีผลงานนะเห็นไหมว่าที่หลวงพ่อสอนพอคุณตื่นแล้วคุณลองไปฟังสิ่งที่หลวงพ่อสอนความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมหรอก แต่เดิมเราฟังแนละ้วเราก็ตีความไปอีกอย่างตีความไปเป็นสมรถตาได้ทั้งหมดอนะ่ะแต่นี้เราฟังนะเราจะสติมันจะปัญญามจะเดินเดินเดินไปเรื่อยคอยรู้สึกไปตอนนี้มันมีอาการแทรกซ้อนอันหนึ่งนะครับคือตอนนี้ผมจะมีความรู้สึกว่าที่ฝ่ามือนี่จะมีชิบะจรเดินแบบชัดเจนเป็นปกติครับเพราะผมเข้าเข้าใจว่ามันม มันอาจจะเป็นอาการแจกซ้อนของสมรรถภาพหรืออะไรเงี้ยครับเราควรจะไม่ไม่ไม่ไม่ต้องห้ามมันนะปล่อยไปเฉยเฉยนะครับช่วยไม่ได้ไม่ต้องกังวลนะครับอ่าไม่ต้องกังวลก็เรามีกําลังภายในอ่ะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็ใช้พลังนี้แหละสมมติว่าเจ็บที่นี่หลังขจับเนี่ยทำใจสบายนะจะมีพลังวิ่งออกไปพอวิ่งออกไปแล้วมันโคจรกลับครับคือผมไปผมกังวลว่ามันเป็นความดันสูงนะครับก็เลยไปเช็คอัพมาเมื่อวานซึ่ ก็ปกติใช่มันลดความดันได้ข้าพุทธคับหลวงพ่อครับรมสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือตัวเองนี่ได้ปฏิบัติมาประมาณปีกว่าแต่ไม่ก้าวหน้าเข้าใจว่าสาเหตุที่ไม่ก้าวหน้าเพราะไปยึดติดครูบาจารย์ทีนี้อยากจะให้หลวงพ่อช่วยแก้วิธียึดติดครูบาจารย์เพราะเพราะโยมคิดว่าสาเหตุนี้ที่ทําให้โยมทุกข์ตั้งใจใหม่นะครูบาาจารย์เราก็เคารพนะไม่ใช่ไม่เคารพ แต่ต้องเชื่ออย่างหนึ่งว่าเราเนี่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าคนระูใหญ่ของเราคือพระพุทธเจ้าอย่าไปติดตัวอาจารย์องค์น้นองค์นี้ท่านนั้นท่านนีนะ้ต้องฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะพระพเจ้าสอนอริยสัจสอนสติปัฏฐานอะย่างเงี้ยสติปัฏฐานก็คือวิธีรู้ทุกข์นั่นเองนะอริยสัจก็ทุกข์สมุทยัยนี่โรดมักทางสายเดียวก็คือรู้ทุกข์ไปเือ ร, รู้กายรู้ใจไปอย่าไปกําหนดอย่าไปเพ่งนะส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติชอบไปเพ่งไปกําหนด เข้าไปแทรกแซงไม่ได้เข้าไปรู้หรอกแต่เข้าไปแทรกแซงกายแทรกแซงใจทันทีที่คิดเรื่องปฏิบัตินะกายแข็งแข็งใจแข็งแข็งใช้ไม่ได้หรอกสอนกันมาเพียนเพียนนะรุ่นหลังหลังรู้สึกเอาเราไม่ประมาทร่วงเกินครูบาอาจารย์นะอย่างน้อยครูบาอาจารย์หล่อเลี้ยงเรามาหล่อเลี้ยงเรามาทําให้เรายังไม่หลุดออกไปจากศาสนาพุทธอะไรเงี้ยทําให้เรามีศีลห้าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอะไรเงี้ย ครูบาปครูกรรมเนี่ยครูบาอาจารย์ทําคุณทําประโยชน์ทางนั้นนี้เหมือนกับเราเรียนชั้นมัธยมอะไรเงี้ยพอเราเข้าอุดมศึกษาแล้วเราไม่ได้ดูถูกครูชั้นมัธยมนะเอาเบอร์เกองเาคุณก่อนก็ได้ครั บ, รบารการนมัธการหลวงพ่อครับครั้งนี้เป็นครั้งที่5ครั้งล่าสุดเมื่อสมีนาหลวงพ่อบอกว่าผมให้ดูกายเพราะว่าติดเพ่งอ่อนๆตอนนี้ผมก็เลยช่วง2เดือนนี้ผมก็เลยปล่อ เราก็เริ่มเห็นว่ากายไม่ใช่ของเราอย่างเมื่อกี้หัวใจมันเต้นก็เต้นเองดุดดุดดุบางทีบางทีก่อนมาวัอาทิตอาบน้ํานี่ก็ไม่รู้ใครอาบก็เป็นอัตโมติหมดเลยครับนั่นแหละไม่ไม่ไม่ใช่ลืมตัวเองไปนะอาบไปเลื่อยไม่รู้นะเราต้องไปติดหมายถึงเห็นร่างกายมันอาบน้ําไปใจเราเป็นแค่คนดูอยู่ไม่ใช่ตัวเราอาบน้ําคำสองเดือนที้ผ่านมานี่ตกลง ใช้ได้สิถ้าเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเดินปัญญาได้แล้วรเราเริ่มเห็นแล้วว่ากายไม่ใช่ตัวเราะรต่อไปกับจิตใจเราก็ใช้วิธีเดียวกันนี่แหละปล่อยให้มันอย่าไปบังคับมันแล้ ว, <นะ S 1> แ, ลวแล้วตอนนี้ติดเพ่งเหมือนวันที่สี่มีนาหรือเปล่าครับสองเดือนที่ผ่านมาไม่เหมือน<า>นะเพ่งน้อยลงไปเยอะเลยยังมีอยู่บ้างแต่ว่าอ่อนแล้วแล้วแตต้องไปดูที่ใจเราต่อดูเหมือนเห็นกายอะ่ะร่างกายมันทํางานไปใช่ไหมใจเราก็ทํางานอย่างเดียวกันนะมันทําเองมันไม่ใช่เราหรอก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 เสียใจน้อยลงเพราะว่าเพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปแล้วก็มีโอกาสมากราบท่านได้ปีละหนึ่งครั้งจึงอยากจะเรียนขอการบ้านแบบจิตใจโยมมันใช้ได้แล้วนะมันเปลี่ยนแปลงไปละอยู่ที่ชั่วโมงบินแล้วในการฝึกคือทุกวันคอยรู้กายทุกวันคอยรู้ใจไปเรื่อยนะชั่วโมงบินมันมากพอมันก็เปลี่ยนคุณภาพไปอย่าไปบังคับมันก็แล้วกันยังติดเพ่งนิดหน่อยนะเอาแพรี่แพรี่ กราบน้ำระสการหลวงพ่อค่ะคือก็ตอนนี้หัดหัดที่จะดูเวลาจิตมันสงบเดี๋ยวหลวงพ่อบอกซะก่อนที่แพรี่ฝึกอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะดีกว่าแต่ก่อนนี้เยอะเลยรู้สึกไหมใจเราโปร่งโล่งเบาไปหมดแล้วรู้สึกค่ะหลวงพ่อมีความสุขรู้สึกไหมเห็นไหมโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกโลกนี้ว่างๆยังไม่ถึงใจอะค่ะหลวงพ่อไปดูไปหัดไปเรื่อยต่อไปโลกนี้จะว่างเปล่า แต่เรามีความสุข <คะ S 1> โลกนี้เป็นทุกข์แต่เรามีความสุขกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์นะแต่เราก็ยังสุขอยู่นั่นแหละอ้าว <คะ S 1> แฮรี่ว่าไปาคือมีอยู่ครั้งหนึ่งข้าหลวงพ่อมีความรู้สึกว่า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 ก็จะไม่ได้ไม่ได้ไปกําหนดลมหายใจอะไรแต่นั่งแล้วมีความรู้สึกว่ารู้ว่ามีมีตัวนี้อยู่อแล้วพอพอใจเขาพอรู้สึกลมพอลมหายใจเด่นก็รู้สึกว่ามันลมหายใจพอมันออกไปข้างนอกคือได้ยินก็รู้ว่าได้ยินแล้วก็เท่าคิดแล้วก็รู้ว่าคิดอะไรเนี้ยถูกไปห้าได้ไม่ร้องเลยนะแต่เนี้ยดีที่สุดเลยที่ภานายอย่างเนี้ย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 น้ำสักการหลวงพ่อค่ะคือหนูพี่ดูเอาได้ยังว่ามันมีตัวเรากลับมาใช่ค่ะหนูเห็นตัวเราที่หลวงพ่อบอกมันเป็นเงาเงาอยู่ตลอดนะคะแล้วพอจิตมันเห็นตัวเราตัวเราแบบแค่มันผุดไปคิดก็เห็นแล้วค่ะใช่นั่นแหละดีแล้วก็เห็นอาการถล่มที่หลวงพ่อบอกค่ะคือเห็นชัดมากแล้วแบบบ่อยครั้งมากขึ้นนะคะว่าถล่มไปไเี้ยแล้วก็พอจิตมันไหลไปคิดมันก็ดับให้เห็นอย่างเหมือนแบบร อ, อยต่อได้ชัดไ ง, งค่ะ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 อใออ่่ะหห้ลลงพแนนาําามเยก็อย่าไปประคองมันไว้นะแต่ว่าทําให้สม่ําเสมอนะไม่ทําบ้างเว้นบ้างทำทำหยุดหยุดไม่ดีหรอกพอเราหยุดเมื่อไหร่นะกิเลสจะงอกขึ้นอีกใช่ครับเราใครรู้ได้ได้อ้าว่าไปกราบนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะได้มีโอกาสฟังซีดีของหลวงพ่อมาประมาณสองเดือนแล้วก็ฝึกทำก็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 รู้สึกไหมใจมันใสยไปใส่มาในะส่ไปใส่มารู้ว่าใสา่ไปใส่มาฝึกอย่างนี้นะอย่าไปน้อมใจให้ซึมลงไปอ่าพอละอ่าของคุณว่าไปผมมีสิ่งแป๊บหนึ่งโยมรู้สึกไหมพอเราออกมานะมันคล้ายๆเราเบลือๆ อ, ออกมาเลยนั่นแหละเพราะว่าเวลาเรานั่งสมาธินะัะเรา น, น้อมเข้าไปมันะ เ, เลยติดสมถะออกมาพยายามรู้สึกตัวนะอ้าว่าไปมันมีสองสิ่งเกิดขึ้นนะครับ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 อ๋อมันก็ยุกก็ยิ๊กก็ยุก ก, ย, ก, กยิกได้นะก็รู้มันไปมันเป็นไงก็ได้บางทีก็เป็นก้อนก้อนหนักหนักทีก็เบาเบาบางทีก็ร้อนร้อนบางทีก็เยน็นเย็นบางทีก็ขยับไปขยับมาแนะค่รู้เท่านั้นแหละแล้วเราอีกนิดแถมอนิดครับหลังจากที่ปีใหม่มานะครับที่ผมผม อ, อมันเพ่งเนี่ยแล้วผมเพ่งน้อยลงเนี่ยครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเวาลาที่ นั่งสมาธินะมันจะไม่รวมเหมือนก่อนแล้วอแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่รวมแล้วไม่ต้องรวมนะรู้รไปสบายๆรู้เท่าเหมือนอย่างที่ทําปกตินี่ดีแล้วใช่ไหมใช่ใช่รู้ไปงั้นแหละนะนะมันจะไปรวมอีกทีตอนอริยมรรคจะเกิดก็ได้บางคนคไปรวมทีเดียวอะครับมาส่งมาข้างหน้านะคนสุดท้ายละเบอร์แปดสิบเอ็ดสิบโมงพดีมสการค่ะเมื่อเช้าตื่นมาแล้วมันคําพูดไม่มีในหัวค่ะค่ะ ซึ่ง<น>เหมือนกับสมัยที่เคยนั่งอย่านูน้นใจใจมันนิ่งไปหน่อยนิ่งไปใช่ไหมคะนิ่งไปนะพอนิ่งแล้วมันก็แบลงแบล็ไปว่างๆหายใจแรงๆไหมรู้อารมณ์ให้มันชัดขึ้นนิดหนึ่งรนะ่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไหมนะอาเชิญยมกลับบ้าน